เวลาดูจิตให้เห็นว่าจิตนี้มีราคะจิตนี้ไม่มีราคะดูอย่างงี้นะไม่ใช่กูกโกรธอย่งี้ไม่ใช่แล้วนะฉันกโกรธแล้วนะอย่ามาว่านะอย่าพูดต่อนะอะไรเงี้ยขณะนั้นเนี่ยไม่มีปรามาัดจิตไม่ได้รู้ปรามาตัตดเลยจิตรู้แต่สมมุติแกเอกไปจากสายตาฉันเดีนน๋ยวนี้ออกไปจากชีวิตฉันเดี๋ยวนี้เงี้ยนะมันมีแต่สมมุติทั้งนั้นเลยมีความโกรธเกิดขึ้น แต่ไม่รู้โกรธในใจเลยรู้แต่ว่าเมื่อไหร่มันจะพ้นจากชีวิตนั้นไปสุดถีจากชีวิตนี้ฉันจะไม่ต้องอยู่เขาอยากให้พ้นๆไปมันก็เลยเจริญสติแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าไปดูผิดผิดความจริงต้องถึงความจริงที่เป็นขั้นปรามัดแล้วก็ไม่ยากเพียงแค่สนใจมันว่ามันมีความจริงแง่นี้ด้วยมันมีความจริงแง่นี้ด้วย มันมีความจริงที่ว่ามีราคะนะในใจนี่มีราคะในใจนี่มีโทสะนะความกโกรธเกิดขึ้นความรักเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นโทสะราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหูสิ่งเราเนี่ยมีเกิดเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่อยู่เสมออยู่เป็นบ่อยๆ อ, อยู่เป็นประจําแต่เรามักจะลืมดูลืมดูความจริงตัวนี้ตามรักษาสัจจะตัวนี้นะ นอกจากจะตามรักษาอในแง่ของการพูดจริงทําจริงต้องดูถึงสัจจะตรงนี้ว่าถ้าเราจะเจริญสติให้ถึงปรมตรัตสัจจะตัวนี้อันที่สามอะไรพึงเพิ่มภูณจากะจากะเนี่ยนะเหมือนจะต้องเสียของไปแต่ต้องเพิ่มภูณไม่ใช่เพิ่มภูณของเพิ่มภูณจากะพระเวสสันดร ให้ทานให้จนหมดเลยให้ช้างให้มา้าให้ราชรถสิ่งที่ท่านเสียไปคือของสิ่งที่ได้มาคือจาคข้าเรียกว่าเป็นบารมีก็เรียกว่าทานบารมีได้บารมีเพิ่มให้ลูกเสียลูกจริงแต่ได้บารมีเพิ่มให้ภรรยาเสียภรรยาก็จริงแต่ได้บารมีเพิ่มนี่เรียกว่าเพิ่มภูนในส่วนที่เป็นกุศล โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาคะเนี่ยคือสละกิเลสในใจสละความตระนีเหนียวแน่นสละความโกรธก็ให้อภัยสละความเหนียวในใจสละราคะสละความเหนียวในใจสละความหลงก็จเจริญสติขึ้นมาให้รู้ตัวขึ้นมา <c oughs> เพิ่มภูลจาคะสละมันไป สละของไม่ดีแล้วได้ของดีที่เป็นของดียิ่งกว่าแต่พึงระวังเวลาปฏิบัติเนี่ยนะอยากได้ผลของการปฏิบัติไอ้ตอนอยากได้ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันมันไม่ได้สละตัวอยากเวลาอยากจะได้ผลเนี่ยนะยิ่งจิตกำลังดีๆนะนะอไม่นานแล้วรู้สึกมักผลแนละ้ว ใกล้แค่เดินอีกสองสามก้าวนี่จะถึงมรรคผลละไอตอนลุ้นอย่างเงี้ยนะจิตไม่ปกติพึงสละความลุ้นอันนั้นออกไปซะความลุ้นมันไม่ปกติให้รู้ทันว่ามีความลุ้นอันนั้นอยู่มีความอยากอันนั้นอยู่ใจขนาดนั้นไม่ปกติให้รู้ทันสละมันไปซะอยาเสียดายอยากเสียดายว่ากำลังจะได้แล้วเพราะว่าระยะทางระหว่างเรากับมรรคผลเนี่ย น, นะ มันสามารถยืดได้หดได้ถ้ารู้สึกว่ามันใกล้แล้วนะอีกไกลรู้สึกว่าใกล้แล้วนะอีกไกลแต่ถ้าทำไปอย่างไม่หวังผลแต่อย่ากแกล้งด้วยนะฉันทำไปฉันไม่หวังผลเดี๋ยวฉันจะได้แล้วอันนี้ก็แกล้งยากมากเลยที่ว่าจะวางใจให้เป็นกลางต่อการปฏิบัติมันต้องทำอยากเนี่ยนะเนทะ่าที่ เทาที่ได้ยินได้ฟังมาจากประสบการณ์ของหลายๆคนก็คือว่าอยากได้นี่แหละอยากไปก่อนเอาเอาตันหาละตันหาเอาตันหาละตันหาอยากได้ไปก่อนแต่ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติแล้วมันจะสอนตัวเองว่าอยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่อาศัยความอยากนั่นแหละได้ประสบการณ์รว่าอยากแล้วไม่ได้ <laughs> งงไหมฟังแล้วงงไแล้วมันจะวางใจเป็นกลางว่า ฉันก็จะเจริญสติต่อไปสร้างเหตุฉันจะสร้างเหตุไม่หวังผลแล้วมันจะได้ผลเองพระเจ้าสอนว่าเหมือนแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่ฟักไข่เนี่ยถ้าโวแต่รุ่นว่ามันจะออกเลยมันจะปากปากลูกไก่ของเราเนี่ยจะเจาะกระปาะเปือกไข่ออกมาหรือยังนั่งแล้วก็ลุกมาดูนั่งแล้วลุกมาดูไข่เน่าใช่ไหม แต่มันนั่งไปนั่นแหละไม่ได้หวังผลว่ามันจะเจาะเมื่อไหร่แล้วไข่ถึงเวลาอุ่นได้เต็มที่แล้วมันจะมากลายเป็นตัวเองมันจะเจาะกระปาะไข่ออกมาเองเหมือนชาวนาปลูกข้าวท่านเปรียบเทียบหลายอย่างนะชาวนาปลูกข้าวก็มีหน้าที่น้ํามากก็เอาน้ำออกน้ําน้อยก็เอาน้ําเพิ่มคอยดูมแมลงไม่ให้มาลงกินไม่ให้ดูดูแล้วคอยทําหน้าที่ได้เพียงเท่านี้ไม่ใช่ ถอนดูรากมันงอกมากหรือยังแล้วก็จิ้มลงไปใหม่หรือว่ายอดไม่ไม่ค่อยยืดเลยไป พ, พยายามดึงมาเนี่ยนะต้นข้าวตายทำหน้าที่แค่ทำเหตุปฏิบททัติธรรมเริ่มต้นก็อาศัยความอยากไปก่อนแล้วประสบการณ์จะสอนเองว่าอยากเท่าไหร่ล้มเหลวทุกทีตอนคนที่เขาจะได้กันเนี่ยนะวันนั้นมักจะเป็นวันที่มีความรู้สึกในใจว่า ไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนรู้สึกว่าวันนั้นไม่ได้เรื่องเลยแต่ผ่านมาจากว่าจากการสัมภาษณ์นะอันนี้จากการสัมภาษณ์บางคนบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเป็นวันที่แบบยุ่งยากมากที่สุดเลยกิจวัตรของเขาเนี่ยปกติตอนเช้าจะต้องสวดมนต์สวดมนต์ก่อนหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอย่าง น, น้อยๆครึ่งชั่วโมงแต่วันนั้นมันธุระเยอะมากไม่มีเวลาแม้แต่จะต้องมามาสวดมนต์ตอนเชา้าต้องไปเจรจา การค้ากับคู่กรณีคู่แข่งไปแล้วก็เจอไอ้หน้าคู่แข่งหน้ามันก็แบบเห็นแล้วก็เวลาเจอคู่แข่งทางการค้าเนี่ยมันเป็นมิตรไหมไม่เป็นมิตรนะมันก็รับได้รับได้ซึ่งความไม่เป็นมิตรเห็นหน้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบรู้ทันความไม่ชอบโดยแบบไม่ทันได้ไม่ทันได้ตั้งใจว่าจะต้องดูความไม่ชอบแต่ด้วยความที่จเจริญสติ มามากพอเห็นหน้านี้อใจก็มีปฏิกิริยาบางอย่างขึ้นมาด้วยความที่ว่าฉันไม่มีเวลาจะมาเจริญสติแล้วฉันกําลังจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจรจาการค้าฉันจ ะ, จะเจรจาการค้าเพราะนั้นความรู้สึกว่าจะใส่ใจไอ้ตัวเนี้ยไม่มีว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ใส่ใจฉันจะเจรจาการค้า นี่เรียกว่ามีสติแบบอัตโนมัติไม่ตั้งใจดูแต่รู้อยู่ไม่ใส่ใจเห็นมีเกิดดับอะไรอยู่ไม่รู้สองสองสอง ส, อง ส, องสที <c oughs> แต่จิตเน่เปลี่ยนแล้วแล้วก็เจราจาไปเจราจาจนเสร็จไอ้คู่ค้าบอกว่าคุณปฏิบัติทมที่ไหนมาไอ้คู่ค้าที่เป็นศัตรูกันนี่นะมันมองออกอะไอ้คนนั้นโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่รู้ เ <laughs> จรจาการค้าอยู่เนี่ยเขาเห็นคนที่เปลี่ยนไปอ่ะต่อหน้าต่อ ต, อตาเขานี่เป็นคู่แข่งทางการค้าที่กําลังจะเอาส่วนแบ่งการทางการตลาดเนี่ยมาเป็นของตัวเองคนที่ถูกเจรจากําลังเจรจาด้วยกําลังจะสูญเสียผลประโยชน์แต่หน้ามันสดใสามากเลย <laughs> คุณปฏิบัติธรรมที่ไหนถามงี้เลยนะเห็นคนที่มีการเปลี่ยนเราอิจฉาไหมคนนี้อิจฉาเหรอไม่แน่นะ <c oughs> ให้สร้างเหตุคนที่เขาจะผ่านตรงนี้ได้เนี่ยสร้างเหตุจากการเจริญสติจนจนไม่หวังผ่านความผิดหวังมาเยอะ วันนี้ดีมากเลยวันนี้จะต้องเดินจงกรมให้อีกสักชั่วโมงหนึ่งแล้วบรรลุแน่แล้วก็เหลววันนี้ดีมากเลยฉันจะนั่งสมาธิอีกสักสิบห้านาทีเดี๋ยวนาทีที่สิบี่เนี่ยจะบรรลุแล้ว <laughs> เหลว อ, อย่างงี้นะมันจะผ่านผ่านอย่างนี้ยไปเรื่อยๆจนไม่หวังจนไม่หวังจนเป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ต้องเอาอาศัยไม่ไม่อาศัยตัณหานําไม่อาศัยตัณหานําแต่ไม่ใช่ว่าจะละตัณหาโดยที่ล拉ฉันไม่หวังแล้ะแล้วก็ปล่อยไม่ได้ไม่ได้เจริญสติไม่สร้างเหตุไม่ได้นะต้องสร้างเหตุแล้วก็เรียนรู้ว่าอยากแล้วก็ผิดหวังอยากแล้วก็เหลวอยากแล้วผิดหวังเรียนรู้ไปจนใจมันยอมเไม่เอาละฉันไม่เอาละแต่ทําอย่างเป็นธรรมชาติไปแล้วอะเลิกไม่ได้แล้ว เจออะไรแล้วก็มันจะรู้ตัวเจออะไรก็รู้ตัวแล้วเอาอย่างงั้นนะให้ได้อย่างนั้นนะไม่พูดถึงอะไรมาถึงตรงนี้ <c oughs> ข้อที่สี่ข้อที่สี่พึงศึกษาสันติพึงศึกษาสันติมันจะรู้เองนะเนาะอันนี้ <c oughs> มันจะรู้เองศึกษาไว้คือให้มีจุดหมายจุดหมายของการปฏิบัติเนี่ย ไม่ใช่ไปเป็นเทวดาไม่ใช่เป็นนางฟ้าไม่ใช่เพื่อรวยบางคนเวลาจะอธิษฐานอะไรเนี่ยจะขอให้รวยขอให้เป็นนางฟ้าขอให้เป็นเทพพญดาองค์ใดองค์หนึ่งอะไรงี้รู้สึกว่าถ้าเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยน่าจะมีความสุขท่านบอกว่าพระองค์ไหนนะพระองค์ไหนเนี่ย ตั้งความหวังว่าถ้าการปฏิบัติของข้าพเจ้าได้ผลดีจริงๆเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นเทพิดาองคได้องค์หนึ่งในสวรรค์ท่านตำหนิมากเลยบอกปฏิบัติแล้วเอามีเมทุนสังโยกรู้จักเมถุนสังโยกไหคือยังมีความผัวพันด้วยชีวิตของคนคู่เพราะว่าอะไรไปเป็นเทวดาแม้จะเป็นพระพรมเลยนะมันก็หมดอายุ หมดเอื้อยจากความเป็นพระภรหมก็ต้องตกมาอยู่ในกามาวจรก็ต้องไม่พ้นจากความเป็นคนคู่คนคู่คือต้องมาเสพเมถุนต้องมีสามีมีภรรยามีแฟนมีกิก๊กยากถ้าหวังไว้แค่ว่าไปเป็นเทวดาเป็นพระภมเนี่ยนะหน้าตำหนิหน้าตำนห น, ำนิแล้วก็ตำหนิแล้วพระพุทธองค์ทรงตำหนิแล้วบอกพระองค์ไหนคิดแค่นี้นะขอตาหนิเลยว่าไม่ได้ ยังการยังทำการปฏิบัติโดยเอากิเลสนําหน้านั้นก็ต้องท่านสอนพระเนี่ยก็สอนมาถึงโยมด้วย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเออท่านสอนแต่พระไม่ใช่เราเราด้วยแหละเราด้วยนะ <c oughs> ถ้ายังปฏิบัติแล้วก็หวังว่าจะไปเป็นอะไรท่านจะตําหนินะแต่หวังว่าจะใหถึงนิพพานใช้ได้แล้วก็เรียนรู้ไปว่าอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่นนใชเรียนที่ผิดไป ท่านท่านสอนปกุฏสาตินให้เจริญปัญญาในการแยกธาตุแต่เราเนี่ยเจริญปัญญาน่าจะในการแยกขันธ์แยกขันธ์ขันธ์ห้าใครมารู้จักขันธ์ห้ารู้จักนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวยากคือสัญญาตัวยากท่านก็เลยไม่เอามาเป็น เป็นข้อหนึ่งในสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐาน4ี่จะให้ดูกายกายก็คือดูรูปให้ดูเวทนาดูจิตก็คือดูดูตัวสังขารไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณเพราะท่านให้ดูราคะดูโทสะดูโมหะดูฟุ้งซ่านดูหดหูพวกนี้เป็นเป็นสังขารละขันเป็นสังขาระขันสัญญาเนี่ยมันจะหลอกสัญญาเนี่ยนะ เพราะว่าคนเราปุถุชนทั่วๆไปเนี่ยจะมีสัญญาสี่อย่างหลอกอยู่มันหมายสัญญาเนี่ยแปลว่าจำได้ด้วยและหมายรู้ด้วยมันทำหน้าที่สองอย่างนะคือจาจำเอาไว้แล้วก็หมายรู้คือจะหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหมายรู้ว่าในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหมายรู้ในสิ่งที่ไม่สวย ไม่งามว่าสวยว่างามมันหมายรู้ผิดๆอย่างนี้สัญญาท่านจึงยังไม่เอามาเจริญสติแต่ถ้าผ่านขั้นใดขั้นหนึ่งเป็นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถมาดูสัญญาได้เหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลให้ดูมีคนหนึ่งเป็นนักเขียนเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงมากเลยมี เวลาเป็นนักเขียนมีชื่อเสียงก็จะมีลูกศิษย์มาเรียนด้วยพอเขาอายุมากเข้าก็ชักป่วยคนป่วยยุคนี้เนี่ยจะป่วยเป็นอะไรเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือไม่ก็พากินสันหรือไม่ก็อะไรอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยนะนักเขียนคนเนี้ยเป็นระดับอาจารย์ก็ป่วย เขก็ต้องมีลูกศิษย์มาดูแลไม่บังคับนะไม่ได้บังคับลูกศิษย์ให้มาดูแลนะแต่ลูกศิษย์เนี่ยด้วยความที่ว่าอาจารย์ป่วยก็ต้องมาดูแลแต่อาจารย์ไม่ใช่ป่วยถึงขนาดล้มหมอ น, นอนเสือคือเดินไปเดินมาได้เดินไปเดินมาได้แต่ว่าเกรงว่าท่านก็ชักหลงหลงลืมๆแล้วเดี๋ยวจะเดินแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านหรือว่าเดินตกกระไดอะไรเงี้ยนะก็แบ่งเวรกันจัดเวรกันว่า ให้ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยมาดูแลอาจารย์คนละวันคนละวันอาจารย์คนนี้ก็จะมีความสามารถนอกจากเรื่องการเขียนมีสำนวนอะไรแบบชั้นหนึ่งเล ย, เ น, ยนะก็ยังมีฝีมือในด้านการทำอาหารนักเขียนที่ทำอาหารเก่งก็เยอะนะมีอยู่คราวหนึง่งลูกศิษย์คนใหม่ลูกศิษย์ใหม่เป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่ลูกศิษย์รุ่นเก่าๆแบบรู้จักอาจารย์ดีเนี่ยก็ ไม่ว่างหรือว่าถึงคิวของลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์คนนี้ก็ไปเฝ้าอาจารย์ไปดูก็คอยดูแลอาจารย์มีชื่อเสียงด้านทำอาหารก็โชว์ฝีมือโชว์ฝีมือวม อ, อ ว, วันนี้ดีมากมาดูแลเราเดี๋ยวเราจะเลี้ยงข้าวทำอาหารให้โอ้วันนี้จะได้กินฝีมืออาจารย์รออาจารย์ก็ทาอาหาร ตักใส่จานมามาให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ดูโอ้โหจานมันเลอะจานเป็นคราบโอ้โหาจานเรานีนชักลงหลงเดมๆมล้มลมลางไม่สะอาดก็เลยจะบอกตำหนิอาจารย์ก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกว่าอาจารย์ครับจานมันสะอาดไหมครับกลายลายจะทวงนะจานมันสะอาดไหมครับอาจารย์ก็บอก มันก็สะอาดเท่าที่น้ำใสจะทําได้นั่นแหละโอ้โหสํนวนสํนวนอย่างนี้ยอมฮะป่วยขนาดนี้ยังมีสํนวนขนาดนี้นะโอ้ครับครับครับกินกินก็น่าคุ้มตากินมืออนม้อกลางวันมื้อกงนก็ทําก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทําอาหารได้หลายอย่างทําก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงยกใส่ชามมาแบบเดิมชามก็มีคราบอาจารย์ครับ ชามนี้สะอาดเลวครับมันก็สะอาดเท่าที่น้ำสาสจะทำได้แสดงไอ้ลูกศิษย์นี่ไม่ช่วยล้างจานเห็นรอกินอย่างเดียวคอยมาดูว่าอาจารย์ไม่ล้มมัใช้ได้ยงง้ก็โอเคแต่ก็ยอมนะว่าโห อ, อาจารย์เราเนี่ยสามารถสะกดลูกศิษย์ได้ว่าแม้ว่ามันจะไม่สะอาดนะแต่ก็เออมันก็ทำได้ ท่านทำได้แค่นี้บางทีอาจจะนึกไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองน่าจะไปช่วยล้างจานมันน่าจะนึกถึงขั้นนี้นะแต่มันนึกแค่ว่าโอ้โหสำนวนอาจารยม์มันมาด้วยความศรัทธาในการเขียนศรัทธาในการเขียนเพราะนั้นเวลาพูดอะไรมาก็จะโอ้โหสำนวนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะจำไว้แต่เมื่อเย็นไม่เอาเลยเว้ยไม่เอาแล้ ว, ว, <laughs> อลวบอกอาจารย์ครับคราวนี้ยอมจ่ายแล้วนะอาจารครับ มือเย็ยนผมเลี้ยงเราไปกินข้างนอกกันดีกว่าไปกินอาหารข้างนอกอไปไปอาจารย์กอ่า อ, อะไรเขาเรียกว่าถนอมน้ำใจลูกศิษย์ไปไปไปไปได้จริงนะเรามีอาหารเตรียมไว้นะมือเย็ยนอะแต่ไม่เป็นไรนเรียกว่าสนองศรัทธาก็ขึ้นรถก็ถึงใกล้อาหารเย็ยนก็ขึ้นรถลูกศิษย์ก็ เปิดประตูรถแล้วก็นั่งแล้วอาจารย์ก็นั่งลูกศิษย์ขับอาจารย์นั่งซ้ายหันไปดูมีหมามันขวางอยู่อาจารย์ครับหมาอาจารย์มันขวางรถอยู่เดี๋ยวผมถอยไปทับอาจารย์ไล่มันทีอ๋อได้ได้ไ ด, ได้น้ำใสไป <c oughs> ฟังออกไหมน้ำใสไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารู้ว่าอะไรสัญญาสัญญาหมายรู้เห็นไหมสัญญานี่มันหลอกได้อาจารย์หลอกไหมอาจารย์ไม่ได้หลอกอาจารย์พูดตรงตรงน้ำสาสมันทำได้เท่านั้น <laughs> แต่สัญญาเราฟังแล้วเราหมายรู้ว่าน้ำสาสคืออะไรน้ำจากก๊อกใช่ไหม แต่แท้จริงแล้วน้ำใสคือไอตัวที่ขวางรถอยู่แ่ละเพราะนั้นสัญญาเอามาใช้ไม่ได้จะถูกหลอกก็จะถูกหลอกว่าไอนั่นไอนี่เพราะหมายรู้มันจะเพี้ยนไปแต่ถ้ามึงไอน้ำใสมึงโกรธไอน้ำใสขึ้นมา น, นนะรู้ทันความโกรธใช้ได้ หรือโกรธอาจารย์อาจารย์อะอย่างงี้ก็รู้ทันความโกรธใช้ได้แต่ถ้าโมแต่อาจารย์หรือว่าโมแต่ไอ้น้ำใสมึงหนืออะไรเงี้ยนะก็เห็นแต่สมมุติเห็นแต่อาจารย์เห็นแต่หมาแล้วก็โกรธนึกถึงอดีตว่ามื้อกลางวันมื้อเช้าเรากินขี้ปากน้ำลายไอ้น้ำใสไปแล้วโกรธเข้าไปเนี้ยนะนึกถึงแต่อดีตนึกถึงนึกถึงแต่สมมติสัจจะ ไม่เห็นปรามาตสัจจะคือความโกรธความไม่พอใจพอนึกออกได้ไหมฟังนิทานแล้วเข้าใจมากขึ้นไหมมีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเย็นวันหนึ่งมีเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมารับ ว่างไงใคยอะเ<ม>สียงจากโทราศาพัพท์ก็บอกว่าผมเองครับสมมุติชื่ออะไรดีชื่อปื๊ดก็แล้วกันนะปื๊ดเป็นคนที่ถูกสมมุติอยู่บ่อยๆ <laughs> ว่างไงปื๊ดผมปื๊ดครับผมปื๊ดที่เป็นคนเฝ้ารีสอร์ทท่านนะครับอ๋อเออปื๊ดปืดโอเคว่างไงว่างไงมีปัญหาอะไรให้ช่วยคืออย่างนี้ครับผมจะมาปรึกษาหน่อยครับอ่ะปรึกษาอะไร คือนกแก้วท่านนะครับนกแก้วพูดถึงนกแก้วสัญญาขึ้นไหมมีความจําได้ไหมหมายรู้นะมีมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เห็นได้ยินคำว่านกแก้วไหมถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของก็ยังเฉยเฉยใช่ไหมมันมีสัญญาขึ้นมามีความจําได้ว่านกแก้วแต่จะให้แม่นหน่อยก็ถามกลับไปว่านกแก้วตัวไหนนกแก้วตัวที่ชนะเลิศการประกวดนะครับ ที่ชนะเลิศการปรากฏพูดอ๋อตัวนั้นเออเป็นไงมันตายครับรู้สึกไงความรู้สึกของคนที่ฟังแป้าเลยใช่ไหมเป้าตายครับมันเป็นอะไรตายอ่ะมันกินเนื้อเน่าครับเฮ้ยไอ้บ้าโกรธไม่รู้ตัวนะอตลอดเวลานี่ไม่รู้ตัวเลยนะเศรษฐีเนี่ยนะใครเอาเนื้อให้มันกินเรา เออแต่ไม่เป็นไรมันตายเนี่ยทีแรกเสียดายนะเพราะว่าชนะการประกวดให้มันอัปเกรดราคาขึ้นมาเยอะเลยไหมแต่ก็นึกเออไม่เป็นไรทีแรกนะออไม่เป็นไรตอนเราซื้อมาซื้อมาไม่กี่ตังค์ <c oughs> มันเป็นลายตายอะ่ะ <c oughs> มันท้องเสียตายครับมันกินเนื้อเน่าครับ <c oughs> ไอ้บ้าเนี่ยโกรธแล้วนะไอ้บ้าใครให้มันกินวะใครจะให ปกตินกแก้วเอาอะไรเลี้ยงเอาพวกเม็ดเม็ดพืชใช่ไหมใครให้มันกินเนื้อเน่าไม่มีใครให้กินครับมันกินเองครับเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วครับคือมันกินเ อ, อพอดีมีม้าตายครับม้าตายไปสองสามวันแล้วเนื้อมันเน่ามันก็ไปกินเนื้อเนื้อม้าครับม้าไหนก่ะม้าพันแท้ของท่านอะครับโอ้ยตัวไหนตัวที่ชนะเลิศการประกวดอะครับโอ้โห ทำไมอ่ะความรู้สึกเร า, างไงเป็นคนทั่วไปได้โกรดไปแล้วนะแล้วโกรดแล้วก็แป้วอะไรตกใจหลายหลายสภาวะเลยนะแต่นี่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยมาท่านนะครับมาตัวไหนมาตัวที่ชนะเลยการประกวดนะครับพันแท้นะครับที่มีเพจดีกรีเอ็มมานี่จะมีเพจดีกรีไหมมาพันแท้นะครับที่ชนะการประกวดนะครับโอ้มันเป็นไรตายอ่ะหัวใจวายครับ มาหัวใจวายทําไมหัวใจวายคือมัน อ, อใช้มันไปลากรถมันทุกน้ําครับรถมันทุกน้ําไหนท่านจําไม่ได้เลยครับรถที่ท่านเตรียมไว้สําหรับดับเพลิงนะครับคันใหญ่นะเป็นแท้ ง, แ ท, งแท้งเพื่อสจะดับไฟอะ่ะต้องแท้งใหญ่นะแล้วไอ้บ้าตัวไหนใช้มาไปลากรถ คือมันจําเป็นครับนายครับมันไฟไหม้ครับไฟไหม้บ้านเออไม่ใช่บ้านเป็นรีสอร์ทท่านนะครับไฟไหม้บ้านไฟไหม้รีสอร์ทเกิดอะไรขึ้นคื อ, เ, อ, อเทียนมันลม้มลงโดนม้านครับไอ้บ้านที่บ้านนั้นมันมีไฟฟ้าทําไมไปใช้เทียนคืองี้ครับนายครับมันจําเป็นครับเป็นเทียนประกอบพิธีศพครับศพ ซบใครคือนายหญิงภรรยาท่านนะครับมาตอนดึกผมนึกว่าโจรผมเลยฟาดไปด้วยไม้กอล์ฟไม้กอล์ฟที่ไทเกอร์วูดให้เป็นของขวัญท่านนะครับเงียบนายเงียบไปพักหนึ่งไอ้ปืดถ้าไม้กฟหักแกตาย เมียตายแล้วท pues ั้งมันเห็นกระบวนการอะไรบ้างไหมเห็นกระบวนการไหมมีสัญญามีความจำได้มีหมายรู้สัญญาจะค่อยๆเทียบสัญญานี้มีหน้าที่จาแต่ท่านนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะมีการระลึกเก็บเอาสัญญาที่เก่าๆเนี่ยมาเทียบกับสิ่งที่กระทบใหม่ๆ เหมือนอย่างน้ำใสน้ำใสเนี่ยนะเสียงกระทบหูว่าน้ำใสเราก็ไปเทียบกับสัญญาเก่าน้ำคือวอเตอร์ใสๆนกแก้วนกแก้วตัวไหนมา้าเนี่ยนะมันมีมีการฟังแล้วไปเทียบกับของเก่าที่จำเอาไว้สัญญามีหน้าที่จำเอาไว้ในใจสัญญานะมีหน้าที่จำเอาไว้ในใจ สติมีหน้าที่ระลึกความจำเนี่ยนะมันจะมีถ้าว่าจำได้เนี่ยมันจะต้องอาศัยสภาวธรรมสองตัวเขาประกอบกันสัญญาจำไว้แล้วแล้วสติมาระลึกนึกขึ้นได้จำขึ้นมาได้แต่นึกขึ้นได้แบบทางโลกเนี่ยบางทีท่านจะไม่เรียกว่าสติท่านเรียกว่าวิตกวิตกคนไทยจะเรียกว่ากังวลใช่ไหมแต่วิตกทางพุทธศาสนามายถึง ยกขึ้นมาสู่จิตงงไหมแปลว่าคิดนึกนั่นแหละแปลว่าตรึกตรึกรู้จักท่านเจ้าคุณนอไหมท่านเจ้าคุณนอเนี่ยชื่อเดิมท่านชื่อตรึกในตรึกพรพอบวชเลยใช้ชื่อไทยไทยว่าตรึกเนี่ยมาเป็นชื่อบาลีว่าวิตักโก ธรรมะวิตตโกไม่ใช่วิตตโกตธรรมดาธรรมวิตตโกตรึกในธรรมผู้ตึกในธรรมเวลาเรานึกอะไรได้เนี่ยนะบางทีท่านนึกที่เราคิดว่าเป็นสติเนี่ยถ้าเทียบว่าเป็นสติก็เป็นสติในทางโลกเนี่ยนะแต่ทางธรรมเนี่ยจะเรียกว่าตรึกเป็นวิตกนึกถึงอะไรนึกถึงนกแก้วเรานึกถึงนกแก้วเราจะว่าเป็นสติไหม ท่านยังไม่เรียกว่าเป็นสติในระดับสติปัฏฐานท่านปรับปรับให้แก้เป็นวิตกคือตรึกนึกถึงอะไรขึ้นมาแล้วเราส่วนใหญ่ก็ทำสติด้วยการตรึกนึกถึงอะไรขึ้นมาเรียกว่ามีสติเหมือนกันแต่เป็นสติโลกโลกสติแบบโลกโลกตรึกนึกถึงเรื่องราวในขั้นสมมุติสัจจะเทียบออกได้ไหมมามาตัวไหน ลดอะไรอีกไฟไหมอะไรอีกนึกเทียบภาพความเสียหายรีสอร์ทห่วงไว้อันเดียวคือไม่กอล์ฟเมียตายช่างมันหาใหม่ได้สัญญาเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ถ้าเทียบอย่างนี้พอนึกออกนะมันเป็นความจำได้และหมายรู้หมายรู้เนี่ยความรู้ในขันห้าเนี่ยนะจะมีสภาวะที่แทนความรู้อยู่หลายตัว แทนความรู้สัญญาเนี่ก็เป็นเป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ให้รู้เก็บเอาไว้แต่ยังไม่เป็นตัวรู้ที่โดยตัวของมันเองจะเป็นตัวข้อมูลเก็บเอาไว้และเอามาใช้เวลาเราจะเจริญสติให้รู้ว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมันจึงจําเป็นต้องทําความรู้จักกับมันโดยความตั้งใจไว้ก่อนจึงจะมีสัญญาเก็บเอาไว้ ถ้าไม่เคยไปดูในแง่ของความโกรธเกิดขึ้นในใจเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นในใจเป็นยังไงหรือความรักราคะเกิดขึ้นในใจเป็นยังไงนะมันไม่มีสัญญาเก็บเอาไว้มันจึงไม่มีตัวเทียบที่จะให้เกิดเป็นธรรมชาติแบบโดยไม่ต้องจงใจที่เรียกว่าสติแบบอัตโนมัตนะิเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีต้นทุนเดิมคือไม่มีสัญญาเก็บเอาไว้ว่านี่คือราคะนะ นี่คือโทสะนะนี่คือโมหะนะนี่คือฟุ้งซ่านนะนี่คือหดหูนะมันนึกแต่ว่าไอ้นี่อีนี่นั่ง <nhưng> นั <ience> ่นช่างมันไปอย่างนั้นหมดเป็นสมมติสัจจะดังนั้นหน้าที่ของเราคือเติมเติมสัญญาในแง่ของปรมัติสัจจะเห็นมันชัดๆว่าไอ้นี่มันราคะนะไอ้นี่มันโทสะนะไอ้นี่มันโมหะนะไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันฟุ้งซ่านนะออย่างนี้คือหดหูนะ เห็นในแง่นี้บ่อยๆจนมีสัญญาเก็บไว้ในใจเยอะๆเข้าใจไหมสัญญาเก็บไว้ในใจเยอะเหมือนที่ได้ยินเขาว่าน้ำใสแล้วไม่ต้องตั้งใจนึกมันก็คือน้ำใสทันทีแต่เดี๋ยวนี้พอนึกถึงน้ำใสแล้วอาตมาพูดถึงน้ำใสนโยมตึงถึงอะไรหมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันไม่เป็นน้ำเลยใช่ไหมเพราะเรามีสัญญาประทับไว้ในใจไปแล้วว่าน้าใส คือไอ้ตัวที่ขวางรถอยู่เมื่อกี้นี้นี่คือสัญญาใหม่เข้าใจไหมหน้าที่เราคือเติมสัญญาในแง่ที่เป็นปรามทศสัจจะเอาไว้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้นะเอาไว้ใช้มันยังไม่ใช้ตอนนี้เพราะว่ามันยังไม่ไม่ไม่มากพอเห็นอะไรรอบอะไรทีเนี่ยมันจะจะกลายเป็นสมมุติไปหมดเพราะว่า มันยังไม่มีถิระสัญญาเคยได้ยินคนนี้ใช่ไหมคูบาอาจารย์จะพูดคำนี้บ่อยๆมันไม่สเสถียรสัญญาตัวที่เป็นประมัดเนี่ยมันไม่สเสถียรมันมีไม่มากพอเวลามีอะไรเกิดขึ้นมากระทบเนี่ยนะเวลามันแรนดอมข้อมูลเนี่ยมันไปตกอยู่ในสมมุติส่วนใหญ่มันไม่เก็บเอาตัวปรมัตมาม า, มาใช้สักทีนั้นใช้สติแบบตั้งใจเนี่ยเก็บข้อมูลนี้ไปก่อน ตั้งใจดูว่ามีราคะเกิดขึ้นในใจนะอย่าไปมัวแต่หลงข้างนอกหลงได้นะข้างนอกเนี่ยหลงได้เพราะมันหลงอยู่แล้วหลงอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนที่จะต้องฝึกคือหัดมองในแง่ที่เป็นปรมัตดคือย้อนเข้ามาดูในใจว่าใจขณะนี้เป็นอย่างไรใจขณะนี้เป็นอย่างไรมันมีพอใจนะมันมีไม่พอใจนะมันมีราคะโทสะพูดซ้ำๆอย่างนี้แหละนะแต่ที่ทำเนี่ยต้องย้อนบ่อยๆย้อนบ่อยๆ ชั่วโมงหงย้อนได้ครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วย้อนได้สองครั้งใช้ได้ใช้ได้ได <laughs> สองทีถ้าย้อนได้สครั้งก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ได้พูดสั้นๆใช้ได้ t times <laughs> โอเคไหม <laughs> สงสัยอะไรไหมทําไมสงสยัยชั่วโมงครึ่งแล้ว <laughs> ฮลโหค่ะสรุปแล้วคือนั้นท่านปุกุสันติเป็นยังไรอ๋อเข้าอนิทานต่อยังไม่จบ ต, ตกลงแล้วเอาสแสดงว่าข้าวก่อไม่ได้ฟังเหรอนุกุสาติกุระบุตรหลังจากฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพูดอย่างกะลิเกเนาะก็รู้ได้สันติคือพอฟังธรรมแล้วเนี่ยนะท่านก็บรรุธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยพานะพาให้ดู ท่านต่อยอดจากที่ท่านได้ฌานสที่เป็นรูปฌานท่านพาให้ถึงดูเวธนาให้ถึงอุเบกขาแล้วก็ต่อไปถึงอรูปฌานพาให้ดูให้เข้าอารูปฌานถึงขั้นอรูปฌานขั้นสุดท้ายขั้นที่4ี่ก็คือได้ฌาน8ปดแล้วท่านก็บอกว่าพวกเนี่ยนะมันก็มีเข้ามีออกนะมันไม่เที่ยงนะเข้าฌานนี้ก็จะออกมาฌานนี้ ข้าวชานี้ก็บอ้อชานี้ไม่เที่ยงนะมีเข้ามีออกนะมันยังไม่จริงนะตรงเนี้ท่านจะชี้ให้เห็นว่าให้รักษาสัตว์จะให้ดูสัตวจะตังนี้อะไรไม่เที่ยงอันนั้นไม่จริงอะไรไม่เที่ยงอันนั้นไม่จริงอันนี้เอาไปใช้ได้นะอะไรไม่เที่ยงอันนั้นไม่จริงนี่ครั้งที่สามแล้วนะ T times อะไรไม่เที่ยงอันนั้นไม่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่าไปเชื่อมัน มันไม่จริงอย่าไปยึดอย่าไปยึดว่าไอ้นี้จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของจิตเราต่อไปท่านก็ละละเลยนะพอจบพอจบออพระธรรมเทศนาท่านบรรลุพระอนาคามีพระอนาคามีคือขั้นที่สามขั้นที่สพอบรรลุแล้วเนี่ยรู้เลยว่า ที่สนทนาอยู่ด้วยเนี่ยคือพระพุทธเจ้าตอนบรรลุเนี่ยบรรลุตอนรุ่งอรุณพอดีโอ้ฉากสวยมากเลยนะดวงอาทิตย์ขึ้นมาทอแสงอรุณพอดีพระพุทธเจ้าก็เปล่งรัศมีให้ดูพอดีตัวจิตของท่านก็เป็นอนาคามีตอนนั้นพอดีต้องไปหาสปิลเบิร์กทาฉากนี้ <laughs> แล้วท่านก็เลยกราบขอเข้ามาว่า โอ้มะกี้นี้ก็ผมทำผิดไปแล้วทำผิดอะไรนึกออกไหมเรียกพระพุทธเจ้าว่าอาวุโสดูก่อนอาวุโสเราไม่หวงที่นี่เชิญตามสบาย <c ười> คำเนี้ยไม่ควรใช้กับพระพุทธเจ้าท่านนึกเลยนะว่าแม้ไม่รู้ก็ผิดแม้ไม่รู้ก็ผิดดูสิความละเอียดของท่านนะเพราะเพราะไปใช้คำนี้กับบุคคลประเสริฐสูงสุด เป็นภาษาสดาเนี่ยไม่ได้เลยขอเข้ามาไม่ได้เลยแล้วที่ท่านมาเนี่ยมาด้วยความกรุณาอย่างสูงเลยเรามามาผิดเมืองแท้ๆเลยท่านเข้ามามาโปรดความกรุณาของพระองค์เนี่ยหาที่ใดเปรียบไม่ได้เลยก็เห็นความความกรุณาของพระพเจ้าเห็นความผิดของตัวเองเห็นปัญญาของพระองค์ว่าสอนให้เราได้ได้ที่พึ่งแท้ๆขนาดนี้ ได้บรรลุธรรมมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตได้ขนาดนี้เห็นพระคุณของพระองค์ในแง่ของที่มาอนุเคราะห์ตัวเองและที่มามีพระมหากรุณาดำเนินมาด้วยพระบาทเป่ามองออกเลยว่ามาด้วยด้วยพระบาทเปล่าเท้าพระเจ้าเดินเปล่าเปล่าเนี่ยเดินเหยียบดินเหยียบกรวดมาเนี่ยนะมันก็เป็นเท้านะมันก็เป็นพระบาทของมนุษย์นะ เวลาโดนของแข็งก็ระบมนะเวลาถูกสเก็ดหินของที่พระเทวทัตทุ่มใส่นะก็ห่อเลือดนะไม่ใช่ว่าเป็นพระเจ้าแล้วจะอะไรอ่ะไม่มีอะไรแตะต้องได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเดินด้วยประบาดเปล่ามาจากสาวัตถีมาราชฤกษ์เนี่ยหลายร้อยกิโลระบมท่านก็เห็นอยู่ว่ามาด้วยประบาดเปล่าลาเท้าระบมท่านเองก็ระบมแต่ระบมมากกว่า ก็เห็นความความกรุณาของพระพุทธเจ้าว่าโอ้โหอุตส่ามาด้วยพระบาทเปล่าอย่างนี้แล้วเรายังไปยังไปใช้คําไม่ดีกับท่านไม่ถึงกับไม่ดีนะแต่ว่าไม่คู่ควรไม่คู่ควรแม้ด้วยความไม่รู้อันนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดของท่านท่านก็ขอเข้ามาขอเข้ามาเสร็จแล้วก็ขอบวชขอบวชขอบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามว่า บริขารครบแล้วหรือบริขารครบหรือไม่ครบถ้าไม่ครบยังบวชให้ไม่ได้นะต้องไปหาก่อนที่ไม่ครบเนี่ยอาจจะเป็นเหตุอะไรก็ได้แต่ที่ท่านคือพระพุทธเจ้าให้ไปหาบริขารเนี่ยเพราะท่านตรวจดูแล้วตรวจดูแล้วว่าบารมีของปุกุสาติกุระบุตรเนี่ยมีทานบารมีมาพร้อมไหมเคยถวายจีวรไหมเคยถวายบาทไหม เคยถวายบริการกับพระไหมบุญนั้นจะมาให้ผลบัตรนี้ได้ไหมตรวจตรวจดูดดแล้วไม่มีถ้ามีนะแม้ไม่ครบแม้ไม่มีอะไรเลยนะมาด้วยชุดคราวาดปกตินี่ท่านก็จะบวชให้แล้วความเต็มแห่งบา ร, รมีนั้นโดยความที่พระพุทธเจ้าบวชให้เนี่ยก็เรียกว่าเอหิภิกุุปสสมปทาเนี่ยพระพุทธเจ้าบวชให้องไหนนะองนั้นจะมีบริการมา โดยบา ร, รมีของท่านองค์นั้นนะของท่านองค์นั้นนะไม่ใช่บา ร, รมีของพระเจ้านะบา ร, รมีของท่านองค์นั้นจะมีชุดมีบาทมีบริขารพร้อมทันทีแล้วก็ห่มเป็นทันทีไม่ต้องหัด <c oughs> รูปร่างลักษณะ จ, จะเหมือนเป็นพระเถระทันทีเลยคือมีความความคล่องแคล่วในมีความอะไรเป็นธรรมชาติของพระทันทีขนาดนั้นเลย แต่ปุกุสาติกุบุตรไม่มีบาร ม, มีตัวนี้แสดงว่าอาจจะสร้างสร้างบาร ม, มีเรื่องอื่นให้ทานก็ให้ของอื่นแต่ไม่ได้ให้จีวรไม่ได้ให้บาทก็เลยไม่มีเมื่อไม่มีท่านก็ส่งเคราะห์ตัวนี้ไม่ได้แต่ท่านทำหน้าที่ของพระศาสดาแล้วคือทำให้เขาได้บรรลุมรรคผลสูงสุดเท่าที่จะจะได้อยู่แล้วจริงๆท่านแสดงธรรมอันนั้นะ ให้ถึงพระอระหันต์เลยแต่ท่านไปติดอยู่แค่ขั้นที่สคือเป็นพระอนาคามีท่านก็เลยต้องออกไปจําเป็นต้องออกไปหาบริขารไปหาผ้าเพิ่มไปหาบาทอีกอะไรเงี้ยนะไม่รู้บาทหายไปตอนไหนไม่แน่ใจแต่ว่าต้องไปหาบริขารเพิ่มบริขารเบื้องแรกเลยคือไปหาจีวรเพิ่มต้องมีทั้งจีวรมีทั้งสบงมีทั้งสังฆติอาจจะ ขาดสังฆติหรือไงก็ไม่ทราบในในตำราบอกเพียงว่าไม่ครบบริขารไม่ครบท่านก็ไปหาตามกองขยะดูสิพระราชาออกบวชไปหาจีวรตามกองขยะแล้วทนรุ่งเช้านั่นเองเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเห็นรังสีเห็นลัศมีฉับพันรังสีของพระพุทธเจ้ารู้ทั่วกันว่าพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ออกข่าวกัน ส่งลายกันสมัยนั้นไม่มีลายบอกต่อๆกันว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วอยู่ที่โรงของนายช่างมอข่าวนี้ไปถึงวังพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิสารก็เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โรงช่างมอถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เสด็จมาด้วยเหตุอันใดเพราะรู้กันว่าท่านอยู่ที่สาวัตถีแล้วหยุดจู่ๆมาอยู่ที่นี่มีเหตุอะไร พระเจ้าก็บอกว่าสหายของพระองค์ที่ไม่เคยเห็นกันนะนึกออกไหมปุ ก, กุสาติบัดนี้ได้ออกบทอุทิศเก่าเจอกันแล้วเมื่อคืนนี้ที่ที่โรงปั้นหม้อแห่งนี้เราแสดงธรรมก่เขาแล้วเขาขออุปสมบทแต่บริขารยังไม่พร้อมเราให้เขาออกไปหาบริขารก่อนเลิกครับโอ้เดี๋ยวผมจะถวายถวายบริขารให้กับเพื่อนสั่งคนเลยไปหาไปหา ปกติอยู่ไนไม่เคยเห็นกันด้วยนะไปดูเลยว่านักบวชที่กําลังหาผ้าหาบริขารอยู่ที่ไหนปรากฏว่าไปเจอเจอเจอเป็นศพกําลังหาผ้าอยู่เนี่ยถูกบัวแม่ลูกอ่อนขวิดตายควิดตา ย, ตายพระเจ้าพิมพิสารก็เสียใจมากเลยโคจะทําบุญกับเพื่อนสักหน่อยจะถวายผ้าจะถวายบาทจะถวายบริขารทุกๆอย่างเลยจะถวายกุฏิด้วยก็ได้ แต่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญกับเพื่อนซะแล้วไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะมาเห็นในทีตอนเป็นศพแล้วก็เลยจัดพิธีศพเป็นพระอนาคามีออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ผ่านพิธีอุปสมบทพระอาจารย์พิมพิสารก็อนุโลมว่าอ่างั้นก็ยังไม่ไม่เป็นพระภิกษุจับแต่งองค์แต่งศพใหม่อาบน้าศพใส่เครื่อง ของพระราชาทําพิธีศพแบบพระราชายิ่งใหญ่มากเลยทําอย่างสมพระเกียรติปุ ก, กุสาติพอตายจะเรียกว่าตายไหมมรณภาพเออมรณภาพดีกว่ามรณภาพจากที่ถูกควายบัวถูกวัวถูกวักวควิดแล้ว จากพระอนาคามีต้องเกิดเพราะยังยังไม่หมดยังไม่หมดสังโยชน์ยังมีสังโยชน์ที่ต้องไปเกิดอีกคือมีราคะยังมีราคะนะแต่ไม่ใช่ราคะในคนไม่ใช่ราคะในการมองดูรูปสวยรูปงามอะไรแต่มีราคะในฌานราคะในรูปฌานราคะในรูปฌานเขาเรียกว่า รูปราคะอารูปราคะยังมีราคะตัวนี้อยู่ยังมีความมยังมีมานะถือตัวแต่ถือตัวถูกไม่ใช่ถือตัวผิดถือตัวตั้งได่ถูกจริงมีความยึดแต่ตัวเด่นเลยคือตัวราคะในรูปฌานอรูปฌานเมื่อตายยังมีราคะในรูปฌานอรูปฌานราคะนั้นก็พาไปเกิดนะพาไปเกิดแต่เป็นอยู่ในชั้นรูปประผม พอเกิดไปแล้วท่านก็เห็นอ้าวทีแรกเนี่ยนึกว่าบรรลุธรรมขั้นพระอารหันต์แล้วตอนนั้นนะตอนเป็นตอนที่พอสว่างขึ้นมาแล้วจิตสว่างด้วยแล้วพระพุทธเจ้าก็สว่างให้เห็นเลยเนี่ย น, ะนึกว่าเป็นพระอารหันต์แล้วนึกว่าพ้นทุกข์แล้วอ้าวยังเกิดอยู่อีกหรือนี่นะพระอนาคามีองค์นี้เนี่ยเป็นพระอนาคามีประเภทปัญญามาก เริ่มจากทำฌานนะมีสมาธิมากแต่พอฟังทำภูรเจ้าแล้วมีปัญญามากด้วยมีปัญญามากแล้วเนี่ยพอเห็นว่ายังเกิดอีกรู้ว่ายังไม่ใช่พาาระอรหันยังไม่ใช่สัจจะแท้ๆเนี่ยเรียนทำรรของุทธเจ้าครั้งเดียวเองนะเอามาใช้ต่อเลยพอเกิดปุ๊บเฮ้ยยังเกิดอีกนี่ยังไม่ใช่สัจจะแท้ๆถ้าต้องตามต้องตามรักษาสัจจะ เพิ่มภูนจาคะแล้วก็ศึกษาสันติตอนนี้เราศึกษาแล้วยังไม่สันติยังเกิดอยู่ดังนั้นต้องสละที่เกิดอยู่เพราะอะไรเพราะมีราคะในรูปประชานเราก็สละตัวราคะในรูปประชานี้ไปไม่เอาเพราะว่ามีแล้วต้องเกิดเห็นโทษเลยว่าเราคิดว่าไม่เกิดแล้วนะบวกลิดตายแล้วเนี่ยเราไม่เสียดายในในร่างกายนั้นเลยในชีวิตนั้นเลยแต่ยังต้องเกิดอีก เพราะติดราคะในรูปฌานมีราคะตัวนี้สละไปเลยสละราคะตัวนั้นไปเลยเห็นความจริงว่ามีเกิดมีการเกิดดับแล้วสละไปนี่นั้นอธิษฐานทำนะั้นสี่อย่างนะสำคัญนะวันนี้จึงต้องมาเล่าต่อนี่ เ, นเรียกว่าเป็นภาคภาคต่อของคราวที่แล้วตกลงว่าตอนนี้ท่านปุ ก, กุสาติเป็นพระอรหรันต์ เป็นวิสุทธิเทพเทพผู้บริสุทธิ์เคยดีนไวิสุทธิเทวดาเนี่ยนะมันมีมีหลายระดับนะเทวดาโดยกําเนิดปกติทั่วๆไปเป็นปุถุชนก็ได้กับสมมุติเทพคือร่างกายไม่ได้เป็นเทวดาหรอกแต่เป็นโดยสมมุติเช่นในหลวงในหลวงได้เป็นสมมุติเทพเทวดาที่เห็นได้สัมผัสได้พูดคุยด้วยได้ เห็นพระราชกรณียกิจเทวดาที่เราจะเห็นด้วยกันในคนอื่นๆก็คือว่าเป็นเทวดาที่เป็นคนเน้นนะแต่มีหิริและโอดตับปะมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปแต่ถ้าเขาหิริบ้างไม่หิริบ้างอายบ้างด้านบ้างงี่นะยังยังไม่นับว่าเป็นเทวดาเพราะว่ามันยังไม่แน่ยังไม่แน่ ต้องดำเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นปกติอย่างในหลวงนะี่เป็นปกติเลยมีชีวิตมาเพื่อสร้างคุณความดีบำบัดทุกบำรุงสุขให้คนอื่นทำให้คนอื่นอย่างเนี้ยไม่สงสัยเลย <c oughs> เป็นเทวดาโดยสมมุติคือกายเป็นเป็นคนแต่โดยน้าจิตน้าใจท่านะเป็นเทวด า, ามีเทวดาอีกแบบคือวิสุทธิเทพ วิสุทธิเทพคือว่าแม้จะเป็นมนุษย์ร่างเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตบริสุทธิ์นี่นับถือว่าเป็นเทวดาแล้วและท่านเนี่ยเป็นเทวดาโดยโดยกายด้วยและโดยจิตด้วยเป็นวิสุทธิเทพ ย, ยังมีอยู่เยอะนะยังมีอยู่เยอะเพราะว่าผู้ที่สร้างบา ร, รมีจเจริญกรรมฐานในาศาสนาต่างๆแล้วไปเป็นพระพรมแล้วไปไปเป็นพระอรหันต์บนชั้นพรหมเนี่ยเยอะมากเลย และเป็นพระพรหมเนี่ยอายุยืนอายุยืนในศาสน า, า, าพระพุทธเจ้าองค์แรกของกับเนี่ยกุกุสันโธโกนากมโนกัสโปโคตมโมสองค์ที่ผ่านมานีก็มีวิสุทธิเทพอยู่ข้างบนเยอะแยะไปหมดเลยตอนที่พระพุทธเจ้าตัสรุยังมีประชนอยู่เนี่ยวิสุทธิเทพต่างๆก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเล่าว่าก็หม่อมฉันได้เรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้น พระเจ้า ก, กุสันโธ โ, โกนาคัมโนกั ส, สโปนะยังเป็นยังมีชีวิตอยู่คือยังเป็นพระพรหมอยู่พระพรหมเนี่ยนะมีอายุเป็นกลับๆเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่ากับนี้ท่านพึ่งท่านพึ่งบรรลุยังอยู่อีกหลายกลับแล้วไม่ใช่กับสองกับเป็นพันๆกลับอย่างต่ำตำถ้าโดยอายุไขเนี่ยนะอยู่ได้สองห0ื่นกับ แล้วแต่ว่าบางทีท่านต้องการจะลงมาสร้างบา ร, รมีก็ไม่อยู่ให้ถึงบางท่านก็อยู่แค่31กสับกัปก็ลงมาสร้างบา ร, รมีต่อไม่เสียเวลามากแต่เราบอกโอ้ตั้ง31บเกัปเนี่ยเพราะบางทีแบบว่าท่านไปเป็นพระพรหมแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ต้องลงมาสร้างบา ร, รมีต่อเนี่ยท่านไม่เสียเวลาในการเป็นพระพรหมนานท่านก็จะอธิษฐานว่า ไม่ขอเป็นพระพรหมนานสามารถที่จะทําความพอใจคือฉันทะที่จะมาเกิดเป็นคนมาสร้างบารมีต่อถ้าเป็นพระพรหมอยู่นานในเสียเวลาท่านบอก ม, มันไม่มีฉันทะที่เป็นพระพรหมต่อท่านก็ลงมาเป็นคนมาสร้างบารมีไม่ลงมาแล้วสิถ้าเป็นวิสุทธิเทพนั้นไม่ลงมาแล้วหมดแล้วไม่มีการเกิดใหม่อีกแล้ว<ม>จบวพรอาจารย์หมายความว่าท่านเป็นพระวิสุทธิเทพ คือเป็นเทพที่บรรลุพระอรหันต์แต่ว่าอยู่ในชั้นพรมต้องรอหมดอายุในชั้นพรมจึงจะเข้านิพพานทีนี้ยังไงคะวิสุทธิเทพเนี่ยคือก็คือเทพเทพที่ถราเป็นคนสําเร็จเป็นอรหันต์แล้วเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยไม่เกิดอีกแล้วอยู่ในชั้นพระพรมอยู่อยู่ชั้นพรมเป็นพระพรมเป็นวิสุทธิเทพเห็นะเพราะฉะนั้นการบรรลุพระอรหันต์เนี่ยสามารถไปเกิดในชั้นพระพรมได้เกิดแล้วจึงบรรลุหาเกิดแล้วจะมีการไม่ใช่ว่าบรรลุแล้วไปเกิดอีกไม่ใช่องั้นนะ คือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นแค่อนาคามีหรือเป็นแค่พระโสดาบันหรือเป็นแค่พระสกิทาคานีแล้วไปเกิดบนสวรรค์และยังไม่ทันจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไปเป็นพระอรหันต์บนสวรรค์เนี่ยก็เป็นวิสุทธิเทพเป็นพระอรหันต์อยู่ข้างบนไม่กลับลงมาเกิดอีกเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดอีกเหมือนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์แล้วถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ไม่ไปเกิดบนสวรรค์อีกนะไม่มี แล้วแล้วผู้ที่ปฏิบัติแล้วบรรลุพระอาหารหันต์แล้วก็ดับสูญหมดทั้งร่างกายแล้วก็นั่นแหะนะคะไปเกิดบนชั้นไหนคะเขาเรียกชั้นนิพพานไหนนะหมาย<ป>่าปเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระอาหารหันต์เหรอเป็นพระอาหารหรอันต์นะคะและ้รอจนก ร, กระทั่งดับขันแล้วนะคะแล้วไปเกิดชั้นไหนคะไม่เกิดสิเคยมีคนถามอย่างนี้กับพระในสมัยพุทธกาลนะพระองค์หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่เกิด ตอบคนถามอย่างนี้เลยนะเป็นพระอาหารหันต์แล้วไม่เกิดพระท่านก็บอกฟังแล้วเนี่ยฟังองค์นี้ตอบคําถามโยมแล้วเนี่ยเอามาเล่าให้ภาษารีบุตรฟังภาษารีบุตรบอกว่าท่านตอบอย่างนี้ตอบผิดนะมีความเข้าใจผิดนะเอาใหม่เอาใหม่ เ, หมเดี๋ยวตอบคําถามเรานะแล้วนะลเรียนธรรมะกันใหม่นะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง ไม่เที่ยงมันนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือที่จะยึดว่าเป็นตัวตนไม่ควรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนาที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือที่จะยึดว่าเป็นตัวตนไม่ควรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงไหมสัญญาไม่เที่ยงน้าใส ก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือที่จะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรสังขารคือความปรุงแต่งต่างๆเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์สังขารที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือจะยึดว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ควรสุดท้ายเลยวิญญาณคือความรู้อารมณ์เนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์วิญญาณที่ไม่เที่ยงและเป็นทุกข์เนี่ยควรหรือที่จะยึดว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนไม่ควรพอพระที่ตอบองคนั้นเนะ่เรียนธรรมะข้อนี้กับพระสารีบุตรนะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรรู้ด้วยนะว่าเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ถามใหม่อ่ะพระอาหารหันต์ตายแล้วไปไหน พระอรหันต์ตายแล้วไปไหนพระองค์นั้นที่เคยตอบว่าพระอรหันต์ตายแล้วไม่เกิดเนี่ยตอบใหมายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์ได้ดับแล้วเราฟังแล้วเหมือนตอบไม่ตรงคําถามเนาะเราถามว่าพระอรหันต์呐 ตายแล้วนะไปไหนใช่ไหพระอรหันนะพระอรหรนะันน่ะตายแล้วไปไหน ต, ตอบ<า>อะไรคันนห้าไม่ตรงคำถามถามไม่ตรงคาตอบจริงๆแล้วถามผิดใช่ความรู้สึกว่าพระอรหรนะันเนี่ยมีเป็นตัวเป็นตนมีความเป็นตัวเป็นตนแห่งพระอรหรันแล้วตัวตนนั้นนะ่ะตายแล้วไปไหนพระองค์นั้นท่านก็รู้สึกงั้นมาก่อน แต่แท้จริงแล้วมีแค่สภาวะที่เป็นปรมัต์นี่กลับมาเรื่องนี้นะแค่ปรมัต์เท่านั้นเองว่ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเองเราไปติดอยู่แค่สมมุติว่าพระอรหันต์องค์นั่นองค์นี้หลวงพ่อนั่นเป็นพระอรหันต์แล้วท่านตายแล้วไปไหนถามผิดหลวงพ่อที่เป็นพระอรหันต์ไม่มีมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เรียนให้ถึงปรามาตสัจจะตรงนี้ดูเหมือนยากดูเหมือนยากนะเพราะเราไม่คุ้นเราไม่คุ้นแต่ย้อนเข้ามาแทนที่จะไปสายใจถึงสมมุติสัจจะที่เราคุ้นเคยมาทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นปรามาทบ้างนะแล้วตัวนี้จะเป็นสัญญาเก็บเอาไว้เอามาใช้โดยที่ตอนที่ไม่ตั้งใจเ ก, เ, นะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ ดูเหมือนว่าไม่มีความหมายไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรเรียนไปทำไมวะไอ้ตัวเนี้เรียนไปทไมแต่เก็บเอาไว้นะมันเป็นข้อมูลให้กับจิตเป็นสัญญาเอาไว้พอเก็บเอาไว้เกนะ็บเอาไว้แล้วมีปริมาณมากพอที่ว่าพอไม่ตั้งใจแล้วมันหยิบเอาตัวนี้มาใช้แล้วมันได้ประโยชน์ตัวนั้นพอดีโดยที่ไม่ต้องตั้งใจว่าฉันจะดูความโกรธฉันจะดูความโลภไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจดูตรงนั้นเลย มันเห็นเลยว่าความโกรธหรือเห็นอะไรก็ไม่รู้เกิดเกิดดับๆับไม่เรียกด้วยตอนนั้นเรียกไม่ทันว่าเป็นความโกรธหรือเป็นความโลภหรือเป็นความหลงไม่เรียกอะไรเลยว่ามีอะไรก็ไม่รู้เกิดเกิดดับดับแต่รู้อยู่ไม่หลงไม่เผลอเพราะตอนนั้นเป็นขณะที่เป็นกุศลมีสติไม่หลงไม่เผลอเห็นอยู่ไม่ตั้งใจดูไม่ได้ตั้งใจดูไม่ได้ดักรอและเห็นโดยที่ไม่ได้เห็นเพื่อจะบรรลุอะไร เพราะมันอยากบรรลุจนเซ็งแล้วคงไม่อยากจะได้เลยเพราะมันล้มเหลวมาตลอดเลยเพราะตั้งใจจะไหล่ล้มเหลวทุกทีความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั้นอาจารย์ครับ <c oughs> มีคําถามฝากมาครับถามว่าเท้ า, ทาสักกะเทวราชนี่คือพระอินทร์ใช่หรือไม่ครับใช่แล้วก็แต่ไม่ใช่พระอินทร์องค์ที่ท่านคําเห็นแล้วก็ทําไมคําถามพี่ถามนะครับถามว่า ทำไมพระอิน์นี้ถึงมีบทบาท ก, กับพระพุทธศาสนาโดยที่ว่าทําไมเทพองค์อื่นถึงไม่มีบทบาททางพระพุทธศาสนาครับเป็นเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์เป็นเพนเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มีก็เลยยังมีความอาลัยมีความสัมพันธ์กันอยู่มากเทวดาที่จะใกล้ชิดมนุษย์นั้นนจะมีมีอยู่สองชั้นชั้นชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือชั้นจาตุมหาราชกับชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยเป็น ชื่อที่ตั้งให้ใหม่นะดาวดึงมาจากบาลีว่าตาวติงสะตาวติงสะแปลว่า33ทําทำไม33เพราะมีคน33คนสร้างมารมีมาพร้อมกันแล้วไปเกิดบนชั้นชั้นที่สองนี้แล้วก็มาเป็นผู้นำถ้าเป็นเรียกกันตามสมมุติก็เรียกว่าเป็นพระราชาประจำชั้นนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นชั้นของเทวดา33องค์ เลยเป็นตาวติงสะชั้นตาวติงสะคนไทยเรียกว่าดาววดึงไม่ใช่ดึงในภาษาไทยแต่เป็นติงสะติงสะมันก็คือสะระอีใสนิกหิตโอ้ยากแล้วออกฟังออกใช่ไหมสะระอีใสนิกหิตเนี่ยออกเสียงเป็นอีแล้วก็ทางไทยจะเสียงออกเป็นงองงูตามท้ายอิงถ้าสะระอุและใสนิกหิตก็เป็นอุง ใช่ไหมสระอะ่ะสายนิกิหิตไปก็อังอุสายนิกิเป็นอุงอีสายนิกิจะเป็นอิงแต่พอเป็นภาษาไทยกลายเป็นสระอึก็เลยกลายเป็นแทนที่จะออ ก, ออกเสียงว่าดาวดิงก็กลายเป็นดาวดึง <c oughs> เรื่องภาษายุ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียนไวน้แล้วจะจ ะ, จะทำให้อ่านอะไรแล้วไม่สับสนและเข้าใจไปถึงที่มาของมันโอ้มีชาร์ดด้วย ดีจังนี่เวลาพูดผดต้องพูดพูดผิดต้องทักน ะ, ะใครมีตำรามาเนี่ยช่วยทักด้วยอพอไหมพอแล้วยังเวลานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงขณะนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง เที่ยงเหรอที่เที่ยงนี่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นสุขใช่ไหมโอ้เลยไม่เห็นธรรมะเลยใช่ไหมมีแต่เที่ยงแล้วเป็นสุข